ตอนอบรมคอร์สนวมินระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน2559ตอนที่5เมื่อกี้เขาบอกเปิดสองเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนพรนะทิเบตเข้ากรรมฐานอยู่ในท่าน3ปนะีไม่กินไม่นอนนันกรรมฐานแล้วก็ถึงเวลาครูบาอาจารย์ก็ไปเปิดท่าน ต้องปลุกให้ดื่นออกจากกรรมฐานนั้นแล้วก็ออกไปมีการเฉลิมฉลองว่ามาดรูทําแล้วไม่กี่วันก็ลาออกไปทำ ง, งานมีเจตนาอะไรไม่มีอะไรในการเข้าฌานสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติเนี่ยลราหนีไปอยู่ในเขาเรียกว่า อ, อ, อาสั ญ, ญีธรรม เป็นสภาวะธรรมซึ่งไม่มีสัญญานะไม่ต้องกินไม่ต้องนอนนะแต่ไม่เกิดปัญญาอะไรเลยไอ้กิเลสมันยังอยู่เหมือนเก่าคือเรานีมันจะนั้นเองถ้าตายตรงนี้ปุ๊บก็ไปอยู่ในสัตว์ยีบุพไปพที่ไม่มีสัญญาก็คืออรูปภพที่จะเห็นนะที่นั่งกรรมาฐานกันอะไรเนี่ยนะนี่ น, ะนั่งสามปีสามปีอยู่ในธรรม ไม่กินไม่นอนอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเข้าไปในฌานสมาบัติถ้าสูงสุดคือนีโรสมาบัติมันไม่ได้ถ่านบนทูไม่ไดนน้ท่านบนทูมวัวระว่งังฝึกสมาธิเจริญสติเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไปอยู่กับมันจนหลงติดโอ้ว่างๆไม่มีอะไรเลยสบายสบายนะั่นแหละติดสุกในฌานนะได้แต่ลมไม่เกิดปัญญาเลยปัญญามันต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตซึ่งว่า ผ่านการทดลองทดสอบของกายเวทนาจิตธรรมเรียนรู้กับมันรู้เท่าทันอันนี้มีไหมหนีไม่นก็หลายปีก่อนที่พระครูเคยเกิดเกิให้ฟังมรุ่นบางทีมันพูดหลายเรื่องนะเกิมดมรู้พูดไปหรือยัอก็ <c oughs> <c oughs> มีผู้ชายคนหนึงไปสูนนะผมนั่งพวกพวกกัจับแบบนี้แกผมก็พยายามจับหลุในเวลานั้นเสียงดังอะไรเด็กดังอนะไรเนี่ยกระทบ ก, กระเทินไใจไม่ได้ แกอยู่เหนือเวทนาพูดแบบอังคารนะพะออู่ชั่วโมงต่อมาพรอครูกับบังเอิญไม่ได้ตั้งใจดูนะบังเอิญมันไปเห็นนะเห็นพุกบพครูก็เอาเอาลังังเดินไปตีปั้แกสะดุ้ขึ้นมาเลยดิ้นเลยนะอ้วกจนหลังโก่งเลยพ่อครูเดินบอกไอ้นี้ก็เรียกว่าเวทนาคุณไม่ได้อยู่เหนือเวทนาคุณหนีเวทนาต่งเนี่ย เขาหนีไปสามปีคุณทำได้แบบนั้นไหมเราอะเป็นหลวงชานเป็นศูนย์ในชานเนอะเราใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดศึกสงครามอะไรอะไรเราก็เข้าไปนั้นไม่ต้องกินอะไรเราก็รอดอยู่นะแต่มไม่ได้ถามผลทุกเนาะอันนี้ชี้ให้ดูแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องที่สองกม็มีอะไรหรอกใคร PBS อะไรเขาไปถายทำวันนี้ก็เป็นเครื่องของศูนย์ว่าเราทํากิจกรรมอะไรบ้างก็ ชั่โมงนี้จริงๆแล้วก็บอกให้กูพูดถึงเรื่องโปรแกรมที่เราทำหลายท่านยังไม่เข้าใจอันนี้เราเรียกชมรมชีวิตฟิตเนสเอาละเราชูเรื่องชีวิตเป็นทีต่ตั้งทีนี้ชีวิตมันประกอบด้วยนิ้วพกหัวห้านิ้วแต่แบ่งเป็นสามส่วนนิ้วของมมือเนี่ยเปรียบเส ม, มือนตาย ร, รูปรูปและสามนิ้วตรงการ เวทนาสัญญาสังขารเนี่เป็นเจตสนนกิกเป็นเรื่องของอารมณ์ส่วนนิ้วก้อเนี่เป็นเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของจิตชีวิตเราประกอบด้วยขันห้าเนี่ยมันแ บ, บ่งเป็นสามส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายจิตอารมณ์กายอารมณ์จิตเราต้องรู้ว่าชีวิตเรนประกอบตรงนี้ต้องรู้ตรงนี้ก่อนทีนี้เราจะทํำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมันปนทุกข์มันปนทุกข์นะ ทีนี้มัเงเอิญคำว่าฟิตเนสเนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งแต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยมันพูดยืดเยื้อยาวอะไรเนี่ยนะก็ตอนนี้เราบอกฟิตเนสี่ยบัเงเอิญว่าทุกคนก็รู้ว่าฟิตเนสเนี่ยแต่ว่าไอ้คำนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะก็ครูไม่ออกมาอยู่ในศูนย์นั่นแหละพอถึงเวลาที่นีศูนย์เรายต้องย้ายมาจากโคหามาที่นี่ ต้องเป็นพ่อคูมาดูสถานที่มาบอกให้เขาทาอะไรอะไรพ่อครูสั่งพ่ครูกลับวันนั้นเขาก็สมงพรอครูจะไปขึ้นเครื่องที่ดอดเือ์ระหว่างทางพ่อครูเห็นป้ายใหญ่มากเขียนคำว่าฟิตเนสพ่อครูบอกเฮ้ย hey, ใช่ละ่ะเพราะตอนนั้นที่ไม่ออกมาเพราะเราสัมผัสกระแสขัดแย้งกันในสังคมมากเหลือเกินเห็นไหแบนบเป็นค่ายเป็นกวน เรื่กีฬาสีกันเน่ยเราไปตรงนี้เขาก็าถามว่าพวกมันอะไรเนี่ยพวกกูจะเป็นพวกใครก็ไม่ได้นะพวกกูจะเข้าข้างใครไม่ได้พวกกูเมตตาทุกคนทีนี้พอเห็นคํานี้เราบอกว่าใช่ละเรามีเครื่องมือออกมาแล้วถ้าพวกกูพูดเรื่องศาสนาเหมือนเจ้าเนี่ยเราพูดอะไรก็ช่างก็ต้องมีการขัดแยง้งมีถูกมีผิดมีลทัทธิยี่ไกยไหนอะไรก็ขัดแยง้งในหลายปีมาพวกกูมีประสบการณ์ ก็โอเคต่อไปนี้เรามา uh, ทําโปรแกรมกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขแต่ศาสนานี <c oughs> อในใอาน่อยู่ในใจของแต่ละคนอยูนะ่ในใจของแุ่คนยาวศาสนามาเป็นเครื่องมือในการขัดแย้งกันะไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้สังคมโลกกำลังเกิดสงครามเริ่มจากศาสนาทุกศาสนามีคนกลุ่มหัวุ้นแรนอยู่เนื่องจากเขาถูกตั้งแกลูกทําลายนะมังไทยก็เคยเกิดสมัยก่อน เกิดวุ่นวายในบ้านเมืองคนจุ่มก็หนีเข้าป่าไปจับปืนมาฆ่าคนไทยด้วยกันเองมันก็เป็นประสบการณ์เพราะคนเรามันเชื่อไม่เหมือนกันเมื่อกูพราะกูเดินมาตังสายธรรมแล้วเนี่ยกูก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปร่วมสังกกรรมกับใครนะแต่พรกูไปหยุดเขาก็ไม่ได้ทีนี้ก็อายุหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วนี่กูเพราะกูฉันกาเสียดายซัก เราเสียดายสิ่งดีๆแล้วมันง่ายมากเลยถ้ามนุษย์คนใดเอาไปใช้ปุ๊บหนึ่งชีวิตเขาจะดีขึ้นเหมือนเรามียาวิเศษเม็ดนึ่งล่ะรู้เลยเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยแล้วคนที่เขามากินถูกวิธีเนี่ชีวิตเขาก็ดีขึ้นแต่ยุคนี้ยาวิเศษเม็ดนี้ถ้าเกิดว่าเราบรรจุด้วยเอาไปตองมะฮอร์นะแล้วไปบอกว่ายาวิเศษนะคนรุ่นใหม่ขยนันจริงมันไม่น่าเชื่อถือเลยใช่ไหม ตอนนี้อย่างขนมญี่ปุ่นนี่ก็อนหนึ่งสมมติลงทุนบาทหนึ่งนะแต่บรรจุพันธ์ 1, มันสี่บาททำให้มันน่าเชื่อถือน่าจรินไงคนทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะที่นี่เราเลยบอกว่าเออเราเจอช่องทางอลไรเขเป็นว่าไม่ต้องไปพูดเรื่องศาสนาให้กัดแยกกันศาสนาเป็นเรื่องของความศรัทธาแต่ละบุคคลศาสนาใหนทุกศาสนาสอนให้เราทําในสิ่งที่ดีหมดนั่นแหละเหมือนวัฒนธรรมต่างกันนะั่นแหละ ศาสนาเขเป็นสิ่งสมมุติไม่ใช่ศาสนารนะทุกศาสนาในโลกนี้ก็สมมุติขึ้นมาตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาเออทุกคนทําหน้าที่นะเป็นเป็นศาสนาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคําสอนของศาสนาทุกศาสนาไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าไปหลงศาสนาเมื่อไหร่วะของฉันดีกว่าเธอนะแม้กระทั่งคริสตเองเนี่ยเขาแยกเป็นหลายลัทธินิกายนะบางลัทธิก็เชิดชูพระเยซูบางลทังลทธิก็เจ้าแม่มาลี ถึงบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ผิดนะพวดเราเองก็เหมือนกันแบ่งเป็นหลายนักที่นิ่งใจไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าที่มันผิดก็คือมันผิดใจกันมันถูกความคิดแบบแข่งขันเสรีคิดเป็นแบบทุมนิยมเอาเทคนิคที่เราสอนเนี่ยมันเป็นแบรนด์เองแล้วก็เคยคิดว่าเราต้องโฆษณาว่าแบรนด์นมเราดีกว่าของเธอกลายเป็นสึกแย่งชิงมวลชนขึ้นมาตอนนี้คุยกันเป็นเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทั้งโลก พวกกูวิสาอยู่ชีวิตมาแล้วก็มาเจอในที่นี้ทํายังไงถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการขัดแย้งนะพวกกูไม่ทำพวกกูก็อยู่ในป่าเนี่ยก็ทํากิจกรรมพวกกูทําทุกวันไม่ได้มาทํานอา ก, ก็ทําข้างในข้าไห น, น, ไหนก็ไม่เป็นไรนะทีนี้กาเลมิตก็หลายคนอยู่ในส่วนการก็ไปปฏิบัติพอกลับมาก็ไม่มีเวชีที่จะต่อยอด น, นะก็ะเลยว่าเออก็มาเปิดให้ทุกคนใช้ประโยชน์นะก็นี่คือเราเรียกว่า เราก็ตั้งชมรมขึ้นมาชมรมชีวิตฟิตเนสนะสมาชิกต้อชวยกันดูแลพ่อครูมาซ่อมใจมอะไรให้พ่อครูทำบุญแล้วจบบอกทํายังไงให้ศุนชมรมนี้ให้เราอยู่ได้โดดเด่ยงได้โดนเดี่ยงเราไม่ได้ขาดขาดก็ชมรมนี้ก็เกิดขึ้นเรียกว่าชมรมชีวิตฟิตเนเนี่ยทีนี้โดยใช้เครื่องมืออะไรโปรแกรมกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขโปรแกรมนี้ก็แบ่งเป็น สีเซสชันแต่ถ้าตอนนี้ไปที่ศูนย์พระลานคอยมีบวกอีกหนึ่งนะเรียกว่าสุริยันจันทานะเป็นอีกโปรแกรมพิเศษนหนึ่งเข้าว่วมไปเชียร์ีมสุดทีนี้โปรแกรมแรกส่วนมากเราทําตอนเช้าก่อนอย่างอื่นก็คือเตรียมอ้อมร่างกายกับจิตใจแล้วก็อารมณ์สามางเมื่อเราเป็นทหารตื่นเช้าก็ปล่อยเวทวีลุกขึ้นมาปุ๊บแต่งฟันล้างหน้าปุ๊บแต่งยูนิฟอร์มปุ๊บจับปืนเตรียมตัวออกไปลรบสุด นะเมื่ะเราจะเดินป่าเนี่ยเราต้องเตรียมเครื่องมือกันก่อนะเตรียมร่างกายให้พร้อมจิตใจให้พร้อมอารมณ์ให้พร้อมนะแล้วก็ออกสุขภาทสนามอันนี้โปรแกรมนี้มีห้าสเต็ปสเต็ปแรกเรียกว่าเช็คทิ้สันสะเทือนคือปลุก น, นะเช็คขับโยมาตอนเช้าเช้าเราปลุกให้เราตื่นะผ่อนคลายกล้าเมเนื้อเสร็จเรีนะวิชานี้ทุกสเต็ปนี้หลายคนถาพมพราะกูเอามาจากไหน สามชั่วโมงที่เกิดขึ้นกับพ่อครูเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเริ่มจากพ่อครูนั่งหลับตาคือ น, นั้นเที่ยงคืนนะเกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยรู้เลยว่าสี่ห้ามันคืออะไรพอนั่งหลับตาปุ๊บอยู่ที่ร้านอาหารพ่อครูละ่ะเที่ยงคืนเด็กๆเขาเคลียร์บัญชีกลับหมดพ่อครูไม่กลับเขาล็อกตุนยจยแล้วก็มีทิ้งพ้าแล้วก็มีเซสชั่นขันโตกที่ว่าเออนั่งบนพื้นอะไรเนี่ยมือนเรือนไ ก็กูก็ลองไปกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงเนี่ยพร้อมลวถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงต้องช่วยให้พนทุกถุกบังคับให้นับถือศาสนาพุทธมาสี่สิบปีทำไมมันทุกแบบนี้อ่างกายมากพายุสี่สิเพราะทาโลกมอนเลยว่ามันทำอะไรมันก็สำเร็จหลงตัวเองถ้าทายผู้เจ้ามีจริงต้องช่วยแล้วก็นั่ง นั่ครับหนึ่งีเ่เสียงแนะอมรับมันาหารมันเง่ยบ ม, มากมไม่มีใครอยู่ก็คูอยู่คนเดียวเสียงแหมดังเอาละ่ะนิสัยไม่ดีของเราเนี่ก็ ค, คือว่าคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็น <c ười> นะจนให้รางวัลชีวิตเป็นไมเกรนขนาดนะักความเครียดลู ก, กัรากคิดอีกละไอ้นี่เพิ่งเปลี่ยนเราเร็วนี้นะแพลก็แผลมันดึงระหว่างกูกับใจมันดึงก มันเกิดเช็คที่เช็กที่ในทางนั้นันคนเข้าส่พผูกู้ก็ดูใหนมันดึงระหว่างหูกับใจมันดึงไปอย่างนี้มันหมุนอย่างนี้หมุนข้างบนเนึงนะแล้วก็ตึงตึงตึงตึงตึงตึเหมือนมันกระแทกให้ตัวเราขวอนคลายน่าจะประมาณครึ่งช้่วโมได้นะทีนี้เสร็จปึ๊บมันก็พลิดกลับมาทางนี้ด้านขวางมันหมุนอย่างนี้เหมือนครื่องท่าหมุนใหญ่เลยตอนที่มันหมุนนี่ะ มันเอาไอร้อนในตัวเราเพราะกูเป็นาธาดไฟนะนะนักเลงเรียกพี่ตัวเล็กๆมึงเอามันเลยนะมันดันขึ้นมาแล้วมันพุ่งออกมาความร้อนของมาพุ่แต่ละครั้งเราเย็นแล้วเหมือนตัวเราลอยได้ไม่ได้ลืมตา ม, มันลอยได้จริงๆหรือเปล่ามันพุ่มันเบามันเบาเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันเหมือนเครื่องฉีดน้ำมันฉีดตั้งแต่ปลายเท้าเราขึ้นมามันเหมือนชามนถึงใบหน้านะ นี้มันเหมือนเครื่องจอดสมงนั้น่ะเครื่องเข็มจอดจอดจอดจอดจอจอดทุกเส้นฝนเลยนั้นตอนนั้นลึกลึกกลัวมรู้ตัวตลอดนัะนรู้ตัวตลอดเลยเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าพวกกูไม่ไปคิดว่ามันคืออะไรถ้าพวูรู้เรื่องศาสนาหน่อยพวกกูต้องวิจัยด้วยให้อันี่มันเรียกว่าอะไรที่มันจะมาอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เห็นชัดบุญเยอะมากเลยที่ไม่รู้อะไรเลยสามชั่วโมงนั้นก็เห็นทั้งหมดเลยขบวนการทํางานของเขา จ่อจ่อจ่อจ่อจอึจอจอจอจอกๆกลัวให้ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเนี่ยครอบัวทำอย่างไรวินาจีนั้นอายุสี่สิบลูกสาวคนโตโกลัวเลยเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปเรื่อยนะทำไมลูกสาวคนโตกลัพอเรากลัวปุ๊บมันมาหมุนหัวที่นี่หมุนเลยหมุนเลยความรู้สึกเี็อย่างไรไม่มีกระดูกคือหมุนรอบแต่จริงๆน่าจะแค่นี้น่าจะแค่นี้แต่ว่าแรงมากเขาเป็นว่าหมุนเราหยุดไม่ได้หรอกมันสั่นความกลัวจริง น, นะ มันเร็วจนว่ามันสลัดความกลัวจริงทีนี้ไอ้ความเบื่อที่เราเบื่อมาหลายปีแล้วเนี่ยมันเบื่อมันลอยขึ้นมาไงหนบอกก็เบื่อไงความเบื่อนะั้นชนะความกลัวได้เอออะไรจะเกิดมันเกิดจะอยู่ไปทํางไหว่า เ, าเมื่อเบื่อระเบิดตู้มเลยหงายลงไปเขาว่าสว่าส ง, งสงบสานไม่ใช่พวกปรูรู้สึกคนรู้สึกไม่มีโลกกายเป็นสิ่งนะก็นอนอยู่ทรานั้นแหละ เกิดมาไม่เคยมีความสุขขนาดนี้เลยวินันั้นที่คาบอกใช้คำว่าสุขก็คือว่าไอคนที่มันเบื่อมันถูกฆ่าทิ้งแล้วเราไม่มีแล้วเรากังวลอะไรเมื่อตัวเราไม่มีเราจะเป็นคนเบื่ออะไรหรือก็นอนดื่มหลําสภาบันั้นอยู่ก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนะน่าจะเป็นมาตีสองกว่าก็ลืนตาอีกทีนึงปุ๊บเนี่ยแปกมากบรรกาศตีสามพอดี จากเที่ยงคืนถึงตีสามนั่นะคือคำว่าสามาชั่วโมงวันลูทําทีนี้พอลืมตาแล้วมันก็สว่างหลับตาก็สว่างถ้าเป็นภาษาพูดว่ามันงงๆนะแต่มันสุขมากสุขคือมันไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันไม่ต้องแบกรับอะไรเลยนะเราถูกฆ่าจริงและระเบิดเพราะครูก็รู้ก้กนไปแอเย็นหมดเลยเราอยู่คนเดียวนะเต็เงินที่เต็มไปหมดเลยเพราะว่า สอสามชั่วโมงนั้นมันแรงมากมาเดินไปไปเปิดตูด้เย็นไปดื่มน้ำเลยคนหมอได้ไอ้เขาบอกเบาเบามันเป็นความรู้สึกหนึ่งมันเบากี่กิโลก็ไม่รู้นะแต่มันเบาเบาไปเปิดตูด้เย็นกินน้ําเสร็จบรียังอยู่ในกระเป๋านะก่อนจะนั่งไม่มีสินจะโกหกลูกค้ามาว่าร้านเราไม่มีผมชุบแต่มันผสมในน้ำจิ้ง ม, มันเรียบร้อยนะ เอาบุหรี่ขึ้นมาสูบสูบไม่ได้จริเลยยี่สิบปีเศษเศษนั้นสูบวันหนึ่งสามสี่ซองพยายามจะเลิกสี่ครั้งจริงจรง จ, งจังจังแต่ไม่สำเร็จปรึกษาหมอแล้วก็ดีอะไรนะเอายามาอมด้วยทีนี้บางทีอมปุ๊บก็เผลอมาสูบอีกอมด้วยสูบด้วยผมให้ไม่ต้องอมดีกว่าจะเป็นเบาหวานตายคนเป็นมะเร็งเนี่ ย, ยปัจจุบันนี้จึงมีเบาหวานบ้างแต่เบาหวานทําอะไรก็บคุไม่ได้ เอยู่ได้ด้วยกรรมฐานมันเป็นกรรมเานั่นบบคือความเปี่ยนแตลงทั้งหมดสูงไม่ได้ไม่ต้องคิดเลยวะว่าสูงไม่ได้ก็ดีแเ้าพยายานจะเลิกละคือจริงสมัยก่อนไม่รู้สึกเหมนเลยนะมันมีกิ่งที่รักไม่ได้เลยก็เดินกลับไปจนหิ้งผ่าลงไปกาบพระพุทธพอพระธรรมปุ๊บมันคล้ายๆขนลุกสู้เลยนะตอนนั้นเราไม่รู้อันนี้เป็นเป็นสภาวะปิติสำโธชงนะ่ะตอนนั้นเราไม่รู้ภาษานี รู้สึกเลิกนับถือพุทธเจ้าทันทีเพราะว่าคำว่านับถืออยากไปบูชาถวายชื่อโพนั่นถามเปลี่ยนแปก็กรูก็นั่งขับรถไปที่บ้านพักไปอาบน้ำเช้านั้นอาบแล้วไอ้สบู่แล้วก็ใช้มันน่าขีดีชัวันนั้นรู้สึกว่าล้างยังไงสบู่มันไม่ออกมันลื่นไปหมดเลยผิวอะไรก็เปลี่ยนหมดความรู้สึกเปลี่ยนหมดก็ขับรถไปวัดไถยไม่เคยไปกับ ไปถึงเช้าที่นนไม่มีพะระเราเลยมีพระพระองค์เนี่ยเขาก็เปิดทางวัดเช้านะเสียงมันไม่อยู่ข้างนอกมันไม่เข้าไปข้างในเลยคือระบบสาษาเราเปลี่ยนหมดมันไม่เข้าไปข้างในนะพีนาจีนั้นอภิญญาต่างๆเขาคุยอะไรตั้งแต่ข้ามประเทศเราได้ยินเราเห็นหมดเลยว่าอะไรแต่ไอ้ตัวนี้มันหลอกกูไม่ได้มันเอาตัวนี้มาล่อเราทีหลังว่าเอาไหมพิเศษ ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราได้ละพ่อครูก็คือมันนอนไม่ได้สามคืนสี่วันมันหลับตามันก็สว่างริมตาวสดแล้วมันก็ไม่ง่วงเลยเขไม่ต้องกินกินไม่ได้เองมันก็ไม่หิวเลก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละมันก็สุขถ้าชีวิตเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเรื่องนะทุกข์นะมันทําให้ดูว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็สุขวันที่สี่เขาตื่นกันแล้วเนี่ยโอเค พอ ก, กูก็เดินไปจะไปห้องน้ํามันเกิดแรงหมุนอีกกลจะล้มไงแล้วก็ลงไปนั่งกับพืน้นมันหะมุนระเบิดตุ้มอีกทีหนึ่งตอนนี้แสงนั้นก็หายไปกลับมาเป็นปกตินั่นแหละพอ ก, กูก็เดินทางไปบริษัทไปเคียงงานอะไรที่สำคัญให้น้องๆเขาร้านอาหารสาขาที่เราต้องดูแลเราก็ให้ผู้จัดการดูแลพราะกูอยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งไม่ต้องบอกเป็นอะไเลยก็สิ สูกศิ์คนแรกของ พ, อพ่อคูก็คือภรรยา พ, พ่อครูสอนแกก็เวียนเวียนเวียนวันที่สอนมั้งแอาเจียนอาเจียนไนียเล่นั่งไม่ได้นั่งกูมึงก็อาเจียนเพราะคนแพทองพาไปหาหมอแกตั้งท้องน้องดอนเนี่ยเดือนถ้าน้องดอนมาใช้ยยเดือนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตลอด พ, อพ่ครูก็รอจนน้องดอนคลอดนั่งครบหกเดือน แล้วก็พุมเด็กสองคนพร้อมทั้งแม่เขาเนี่ยย้ายจากเมืองนอกมาอยู่ไม่ใช่บานอกเรไม่มีบ้านไปอยู่ในป่านั้นสิบเอ็ดปีไม่มีไฟว่าสงบเงียบแล้งจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยี่สิบเจดปีตามไปอยู่ของน้องนอนเด็กสองคนนี้ก็เด็กของสอนนอนที่นู่นพ่อครูสอนเด็กถึงเวลาเราไต่เต้าขึ้นไปอาศัยพุทีธิบาทเฉยๆแล้วก็แก้ววดชีววดเน แล้วก็จ บ, จบปริญญาโทแล้วตอนนี้เขาดูแลโรงเรียนเด็กยากจนที่นอนสองโรงเรียนเขามีความสุขกับการทำหน้าที่ทั้นั้ น, นเขาครูสอนให้เขาอยู่กับโลกให้ได้รู้เท่าทันโลกอย่างป็นตางโลกนะเขพ่อยเองอถูกโลกมันหลอกไปสี่สิบปีเก่งแค่ไหนก็ช่างคามั่นตามไปว่าไม่ทันมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันะนี่คือความสุขเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เขามีเขาเป็นแล้วเขาก็สุข ชีิตเขาไได้ตายเปล่าเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกวันเป็นผู้ให้นะตอนี้เราสอนลูกอยากให้มันตามโลกกลัวมันกลัวมันไม่ทันโลกก็ส่งให้เขาไปตามโลกส่งให้มันเป็นทานนะเพราะคูทําไม่ได้บางที่มันระเบิดปุ๊บไม่ต้องคิดเป็นภาษาเลยว่ามีเหตุผลรู้แล้วไนงะเราหลงสร้างเอาขึ้นมาแล้วก็พาเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้นอมที่ปลอดภัยที่สุดเพราะคูถูกด่าหลายปีนะ ทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรสนิทกันหมดเป็นบ้าเลยเธอหยุดเธอก็อยุดสิเธอเด็กไม่อยู่ในป่ากกทำไมพ่อครูถามว่ามีอะไรไม่ดีหรอนะเขาบอกว่าเดี๋ยวกระจันตตามเขาไม่ตัดอ๋อเข้าใจไปเปิดพจนาดุกงหรือคาว่าตามไปว่าไม่ตัดไม่ตัดพวกกูตามไปแล้วไงพวกคูทดสอบแล้วไงไม่ตัดตอนเ้าอยู่ในเมืองตอ น, นเด็กๆเนีย่ยเขาเป็นโรคภูมิแพ้โรคอะไรเนะี่ยะ นะเพราะไปอยู่ในป่านะั mm ้นเน่ะเพิ่มุกถอดรองเท้าวิ่ะ mm hmm. เด็กโรงเรียนพ่งครูเนี่ยญาติธรรมหลายคนเน่งโอ้ oh, ใจดีนะซื้อรองเท้าไปแจกเด็กโอ oh, มันดีใจดีใจมันใส่ปุ๊บพีหายหมดเขาไม่เอาแบรนเนมแบบนี้เขาบอกมันไม่ดีเขาใส่รองเท้าหนังแท้เลยยิ่งใส่ยิ่งหนาไม่มีวันสึก mm hmm. เห็นไหมแล้วเขาได้นวดขาตลอดเวลา กองเด็กมันเดินเข้าไปไปเหยียบหินทีหนึ่งโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใเขาใส่รองเท้านหนังแย้ยิ่งใส่ยิ่งหนาขึ้นทุกวันแบรนด์เนมทุกวันนี้เดี๋ยวไม่กี่วันก็พังเราก็เรียนรู้กับธรรมชาติตรงนั้นเริ่มจากพ่อคูทําเกษตรเพื่อชีวิตก่อนเพราะเราหยุดหาเงินแล้วแต่เราต้องมีปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี่มาภาคมาจากภาคเกษตรทั้งหมดเลยไม่ว่าเสื้อผ้า ใช่ไหมทำจากหม่อนไหมจากไฟแล้วก็แล้วแต่เห็นไหมที่อยู่อาศัยคนโบราณก็ใช้ไม้ไม้เราเยอะแยะทําบ้านพักยารักษาโรคสมัยโบราณก็มาจากสมุนไพรในป่าเท่านั้นเห็นไหมอาหารไม่ต้องพูดเลยมาจากภาคเกษตรเพราะครูก็ทําเกษตเพื่อชีวิตก่อนไม่ใช่เพื่อทุจริตทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายทำอยู่ทํากินทําทาน ทำพราะทำบางคนถามว่าทําอยู่ทำจริงยังไม่รวยแล้วไปทําทาน ท, นะทําไมนะทำทานยิ่งกว่าทําอยู่ทำจริงเห็นไหมพระอาจารย์ที่เบรเนี่ยท่านเขาไปนั่งชานเนี่ยสามปีท่า น, านก็ไม่ต้องจริงด้วยท่านก็อยู่ได้ยห็นไหมเห็นไห ม, หไหมทาทานสําคัญกว่าเรื่องนี้เราพวกเราจะแหกเปลี่ยนนะพวกเราไม่เคยไปนึวกวไปอยู่ในชนบท น, นะโอเคหลังจากไาอยู่แล้วพวกบเราก็ขยายผลไปที่หมู่บ้านก็ไป ส4ี่กิโลอบ้านใหญก็กูก็ไปช่วยดูแลเขาไปสร้างวัดให้เขาไปทำโรงเรียนอะไรอะให้เขาทำไมต้องให้ทานยกตัวอย่างสั้นๆนะพเพื่อให้ได้เห็นภาพชันมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อชาร์วิเด็กมโ น, นกเรียกชื่อยากมากมาจากอเมริกาเป็นคนหนุ่มตอนอายุเขายี่สบปีสูงร้อยเก้าสิบห้าเซนัน้นตาตาดีเขาเคยติดยาเสพติดทมันทุกข์มาก ทีนี้อยู่จิตเขารู้สึกว่าเขาสนใจการจิกจิก็อย่างเขาก็เซิร์ชมาให้มาเจอญาติธรรทีุ่งเทียนเขาบอกว่ามีสถานที่ไหนบ้างเขาต้องการกจิตแนะนำในวัดเขาบกไม่เอาเขาศึกษาแล้ววิเนียเยอะมากมันไม่สละบเขาก็เลยไปสุด น, นะที่เขาถามว่ากูครึ่งวันเราถามตอบถามตอบถามต อ, ามตอบาเงยเราถามมาแขกช่วยกังตอนเที่ยงปุนเย็นเี่ยงก๋เตียวไงก๋เตี๋ยวช่วยเขาได้นะ เพราเพราะกูเลยตั้งชื่อให้แกใหม่ชื่อเทวานะเป็นเทวดาเลยทา้าวิมันเรี ย, ยกอย่างบอกเทวาเธอถามเธอถามพ่อกูนะ่ะรสชาติมันเป็นยังไงพ่อกูมันเปรี้ยวนิดหนึ่งหวานนิดหนึ่งเช่นนิดร้อนนิดหนึ่งเนะี่ยเอออร่อยมะอร่อยอร่อยเทวารู้ป่ามันอร่อยแค่ไห น, นชิมดูเถอะไม่ต้องเสียสตางบางอย่างมันพูดไม่ได้ไงเขาบอกไอแก่เนี่ยมันก็ยังยองไปกินปะ ผมปฏิบัติปุ๊ี่เขาเร็วมากเพราะเขาเห็นทุกข์แล้่หมนะพระเจ้าในดวงใจเขาบอกด ก, กเป็นบ้ามาทำไราบ้าบอกเนี่ยพระเจ้าสร้างโลกผมกไม่มีใครสร้างโลกมัน เ, นเกีเย่ยกพระเจ้าจริงเรู้สึกสิบกวปีล้วตอนนี้เขายังอยู่กรุงเทพไปไปมาๆตอนนี้เขาเป็นคนไม่มีศาสนาแล้วกูก็เป็นบังคับใหเขาต้องถือศาสนาหลาๆยแต่วิธีเขาการเป็นวิธีุณ ก็การเป็นลูกคนธรรมกูอยู่กูก็กูหลายปีนะเพราะมันพูดๆปุ๊เขาก็มาทําธุรกิจกรุงเทพไปซื้อเสื้อผ้าในเมืองไทยส่งให้แม่เขาที่อะไรจนเขาเป็นเศรษฐีร่ารวยขึ้นมาทีนี้วันนั้นพกูเลยประเมินภูมิปัญญาของคนตะวันตกว่าเทวาเขาอยู่ริมเขื่อนนะถ้าเทวาวันนั้นน่ะไปจับปลามาได้ตัวหนึ่งยาวสองเมตรเลยเทวาจะเก็บไว้ยังไงกินนานที่สุดเขาก็นั่งคิดเขาก็เอียนิ้ง ก็บอกออกมาแน่แล้วก็เอาพลาสติกแร็ปไว้เป็นคก้อนๆเปนน็นก้อนแล้วก็ไปแช่แข็งไว้ถ้ามีโรงงานทําปลาก็ของก็ไปทําปลาก็ของมันไหนจะกินก็ออกมากินเขาบอกกินนานที่สุดทีนี้นพ่อครูถามเด็กมันนอกคนนตอนนั้นพ่อครูสอนกศนอพวกเห็นมัจยุบต้นชื่อพี่ออมตอนนี้เป็นครูละพี่ออมครับพี่ออมจับปลาตัวหนึ่งได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ออมจะเก็บไว้ให้กินนานที่สุดเด็กมันนอกไม่ต้องคิดเลยนะเขาบอกแบ่งเป็นสี่ชิ้น เอาชิ้นที่เนื้อมากที่สุดเนี่ยไปทำบุญที่วัดเอาชิ้นที่ดีที่สองให้ข้างบ้านเนเปอเอาชิ้นที่ดีที่สามมาทำอาหารกินเอาชิ้นที่ดีที่สี่เนี่ยมาตากแห้งมาทำปลากินข้ามภพข้ามชาติแล้วไม่ใช่กินข้ามภพชาติอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตัวเองนะวันไหนเราไม่สบายข้างบ้านเขาจับปลาเขามาให้เรากิน ฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันชุมชนจึงไม่ต้องมีตำรวจใหญปัจจุบันนี้หลายหมู่บ้านไม่มีตำรวจแต่ก็ไม่มีเรื่องแต่ในเมืองนี่ตำรวจเยอะมากอายการเยอะมากศาลเยอะที่สุดในโลกเขาล่อกันตัวเราจิ้งพุิปัญญาดีๆลราหมดเลยเราแก้จะเป็นหาเศรษฐกิจแต่เราทำลายระบบสังคม แต่ตอนนี้ชุมชนที่พวกครูบอกล้วเนี่ยมันเรื่องหายจะไม่มีแล้วเพวกะข่าวสารไลฟ์โมแดนเข้าไปเนี่ยนะไปกระตุ้นต่อความอยากของเขาเนะเออนะดูโทรทัศท์เราอ้ละ่ะตอนนี้เธอซื้อจักรยานก่อนฉันก็อยากมีรุ่นดีกว่าเธอเฮ้ยตอนนี้พัฒนาเป็นมอเตอร์ไซค์นะฉันก็มีมอเตอร์ไซค์ตอนนี้รถกระบะ ด, ด้วยนะถามว่าก็ให้ได้ไหมเรื่องอะไรให้ความน่ารัก ความอบูนแบบชุมชนวิถีไทยร่มสลายรวมทั้งหมู่บ้านที่พ่อู่อยู่ด้วยแต่ยังไม่แหลกยังพอดีอยู่แต่ว่าสู้กระแสะโลกไม่ได้ลูกหลานเราเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาจนอยู่ดีดีนักวิชาการไปสอนในคนยากจนจนอยู่ดีดีนะมีความสุขมากเลยเพราะมันไม่เป็นหนี้ใครจะตื่นกี่โมงก็ช่างน ะ, ะบังเอิญอยู่ที่น่น ลงไปในเขื่อนก็มีอะไรเข้า ไ, ไปในป่าก็มีหน่อไม้มีอะไรมีสมุนไพรเยอะแยะมีเห็นไมีซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างตัวเราไม่มีเงินก็อยู่ได้แต่ตอนนี้ยากจนแล้วเนี่ยถูกเขายึดที่ ห, หมดเห็นเขาจนอยู่ดีๆเรามาสอนให้เขายากจนมีนี่หละยากละเนี่ยการการพัฒนาไงนี่ความเจริญไงเห็นไหมแล้วยังไงเราจะไปทางไหนห เพราะกูบอกนะไปไม่รอดแล้วล่ะทฤษฎีนี้ล้มละอยู่ที่ว่าอะไรจะเป็นตัวลมมันเพราะกูเห็นลางๆเลยนะมีสามอย่างยุคล่านาฎิกลมก็ลบไปแล้วเห็นไหมคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าถ้ามีนาฎิกลมเยอะๆฉัจะมั่นคงล่าไปล่ามาผู้ล่าก็ทุกผู้ถูกล่าก็ทุกไอเดียนั้นล่มสลายยุคค้าท่ายุคค้าขายเสรีใครใครค้าค้าใครใครขายขายทุกอย่างก็หวังหน้าเอาบรรลุมาเป็นสินค้า มนุษยใช่สัตวของถูกแบ่งตามความสุขไม่เกิดขึ้นไอในี่ยน่าร้ส้ยุคเรานี่นั่งอยู่ที่นีอายุเท่าไหร่กันช่างเรารุ่นเดียวกันนั้นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชนะสงครามตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันความสุขเกิดจากการบริโภคความสะดวกสบายนั่นคือสิ่งไม่ถึงแปดสิบปีที่ผ่านมาเละตุ้มเป้เลยคุยกันไม่รู้เรื่องละข้างล่างเป็นโพล ข้างบนมีแต่ขยะอากาศเราทำํำลายสิ่งแวดล้อมหมดเลยและเจ้าตันทีนะเจ้าตันทีที่ข้าช่างน่าสงครารตอนนี้เขาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกแล้วเราจะยังไงเราจะไปเรียนวิชาให้เหมือนเขาเพราะูพูดเฉยเฉยเราเบรงไม่ได้แล้วเขาก็เบ่งไม่ได้ขี่ลังเสือแล้วไงพอพูดเรงนี้มีมีญาติธรรมบางคนมาบอกถามพครูแล้ว หนูขี่หลังเสือแล้วจะทํำยังไงเห็นไหมก็ทุกคนขี่หลังเสือแล้วแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเราต้องขี่หลังเสือเราลงไม่ได้หรอกกลายเป็นปกติแล้วถามว่าอยู่หลังเสือนี่กลัวตกลงมาเสือมันกินไม่กลักวกลัวทุกวันแต่ไม่คิดที่จะลงเพราะเราเราคิดว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงถ้าอย่างนี้ก็ขี่ไปจนตายแล้วก็ทุกจนตายเพราะว่าทุกวันเราก็กังวลตลอดแต่ถ้าเรารู้ว่าให้ขี่หลังเสือมันไม่ดี สักวันหนึ่งจะห า, าโอกาสดีๆลงจากหลังเสือโดยปลอดไปเออถ้ามันวิ่งรอดไปกิ่งไม้หน่อยนู้นนี่คว้าสิแต่ถ้าไม่พอเจอกิ่งไม้จะเวยๆจะลบปีกก่อนเสือไปแ น, น่ๆคุณจะก่อนก่อนไปเถอะเกมนี้จบละมีสามอย่างกำลังจอรอยู่ที่จะลงเกมนี้นะหนึ่งสงครามร้านนี้นิวเขียร์อะไรจะเกิด สงครามลานนี้จบไปเอนับหนึงใหม่และสงครามเท่านี้ไม่ใช่เหมือนในอดีาตหรอกต่างคนตาคน่างกดไม่กี่วัดก็เล่นเขามีส่วนหนึ่งอะไรทั้งนี้อยู่ข้างบนข้างบนเนลยจะเอาบางคนบอกว่าจะเอาเชื้อมนุษย์ดีๆเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนให้มันรอดตายเพราะกูอยากไปเชื้อเดียวๆอย่างนี้ให้มันตายไวๆอยากให้มันลรคจักรวาลเลยเราทำเท่านี้ช่วไม่พอแล้วไปทํา่านอื่นช่วยอีกเนาะเนะ อันนี้คือหนึ่งกํระทำจ่อมาแล้วสองภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ทําลายความสมบูรณ์ของเขาดินน้ําลงไฟเห็นไหมแรงมากกว่นี้จะเป็นลมพายุใช่ไหมฝนแรงก็แรงเลยท่วมก็ท่วงเลยไฟบ่าไม่เคยคืนภูเขาไฟที่มันนอนก็ภาษาจีนบอกซื้อฝ่อซานคือภูเขาไฟที่มันตายแล้วเนี่ยเป็นร้อยวีก็หมกขึ้นไปเพราะข้างล่างมันเป็นผม ความร้อนก็เกิดขึ้นฝนลงนิวเขี่ยใต้มหาสมุทรภูเขาไฟทั้งลังมันก็ระเบิดขึ้นมาลาวามันก็ไหลขึ้นมาอุณหภูมิในทะเลเปลี่ยนหมดเอลนิโนโอก็เกิดขึ้นข้างหน้างก็เป็นโฟงก็เกิดแผ่นดินไหวถล่มดินซึ่ีนอนี่นก็เกิดขึ้นอันนี้เกิดจากภัยธรรมชาติและเนื่องจากเราบริโภคเยอะทุกประเทศตอนนี้มีปัญหาเรื่องขยะสารพิษ ถือวิสาสานะขนลงเรืออะไรมาส่งกับประ เ, เทศด้วยพัฒนาไปทิ้งมันคิดว่ามันจะรอดตอนนี้เชื้อไวรนะัสต่างๆนี่มันสื่อกะเร็วมากอันที่สามคือโรคภัยไข้เจ็ดที่ไม่เคยเกิดมันกำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วอีโมลาอะไรจะไปอีดำอีแดงมันมาหมดแล้วอคนฝีมือมันโดนไงสามอย่างนี้จาเคยเคยเกิดขึ้นโรคหมนี้แล้ว ไม่ใช่ไม่เคยเกิดอย่างนครวัดนครธงเนี่ยของเขมรเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในสิของโลกเจริญ ม, มากทางด้นานวัตถุจเจริญทางวัตถุยุคสมัยไหนก็ะชั้งจิตใจมันจะเสื่อมทรามสิ่งแพร่ทอดจะเป็นผิดโรคไข้ไข้เจ็บลำบากเพิ่เนี่ยเป็นเหมือนล้างตอนนี้นกําลังจาะเราอยู่นะและทุกคนก็รู้รู้ว่าเราเผอเล่นเกมนี้แล้วพอประชุมกรีก นะแก้ปัญหาโลกร้อนโอ้ยส่งเสริมส่งเสริมเพราะวันสุดท้ายนี่ล่มทุกทีพอวันที่จะแบ่งไม่ใช่แบ่งเค้กต่างคนต่างได้ะแบ่งความรับผิดชอบนะล่มหมดโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจต่างๆเขาเป็นคนสร้างมวลภาวะมากที่สุดเขาต้องลงเขาต้องเสียเงินเสียเงนินค่าใช้จ่ายมากที่สุดล่มทุกทีมนุษย์ไม่เอาบ้านแล้วไม่เอาชีวิตแล้วจะเอาตัวเลขจะเอาชนะกันพราะคนที่บอกว่าจบละ นะอย่ที่ว่าสามอย่างนี้ตัวไหนมันจะมาแรงกว่ากันมันก็ต้องวิ่งแข่งกันมาอยู่นะนะเราอย่าชะล่าใจเราอย่าชะล่าใจไม่ใช่เรื่องเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวทะเลาทั้งบ้านเั้งเมืองทั้งรูปเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้สงครามไร้รูปแบบมันจะเกิดระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้อยู่ที่ว่าใครจะโดนแจ็คพอร์ตจำนวนหนเองนะเป็นสงครามไร้รูปแบบ ไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะศาสนากับศาสนาไม่เกี่ยวด้วยข้ามข้อตรงนั้นแหละนะไม่เกี่ยวกับอุดมการณ์ลัทธิความเชื่ อ, อในการบริหารโลกนี่ไม่เหมืนอนกันเขาจะทําลายเศรษฐกิจแบบทุนเสรีแค่เราเบิดเราเบินราเบินแล้วมันกระจายเงินหมดเราทั้งโลกอ่ะถ้วตอนนั้นเขาทุกรอนไปหมดมันจะเป็นโดมิโนโไปกระเทือนไปหมดเลยอันนี้เราก็เห็นแล้วก็สัมผัสได้นะก็เอา็นว่าพราะปู่เห็นก็สัตยกตืว่าเห็น นะเราทําอะไรไม่ได้บางคนถามกูแล้วทำยังไงทําใจต้องเตรเียมตัวตายทุกวันที่สูง <c oughs> เราเตรียมตัวตายทุกวันนะสิ่งที่เราทำได้คือเตรียมตัวตายทุกวันแล้วเวลาที่เหลือเราไปใช้ส่วนเกินเราเนี่ยสร้างประโยชน์นะตอบโจทย์ตัวเองได้ก็พอแต่อย่าไปคาดกว่ังนะก็เปลี่ยนโลกไม่ได้อันนี้ ก, กูจะชี้ให้ดูว่าศูนย์พรลาลนคอยทําอะไรและวทำไมต้องมาทําโปรแกรมนี้นี่แหละอันดับแรกเนี่ย เราต้องดึงให้เรามาอยู่กับตัวเองก่อนเพราะชีวิตเราถูกสอนให้ไปยุ่งในข้างนอกวิ่งไปหาอนาคตอนาคตเลยไอ้โปรแกรมนี้ก็ดึงให้เรามาอยู่กับเราก่อนนะโดยเฉพาะไอ้ไอ้โปรแกรมแกเตรียมพร้อมร่างกายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์อยเรื่อยบางคนสะดุดได้นะนั่นนหะคือเจต น, นาของครูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปหลงี่ยึดมัน่นหรือมันอ่นเลยกพรเปลี่ยนแป ล, ล, ล, ล, ลงพวกเราก็ทุกเห็นไหมพอดีๆนี่หลงแล้เริงพอหลงปุ๊บเราก็ทุก ตอนปี40ในสังคมไทยเกิดเศรษฐกิจไอตอนนั้นต้มยำปุ้งหรือเปล่านะพกก่อคนะุณจับงานพ่อยู่ในป่ามันก็ฟบพ่อคูณด้วยนะแต่ก็ไม่กระเทือนพวกคุเขียนเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่พรตุ้กิจออกมานะแจกแจกแจกกันไปเพื่อเตือนสติยังไม่ร้าสมัยนะั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านมีกี่ปีไม่ร้านสมัยมันเป็นธรรมะหลายคนล้มละลายถามว่าเขาชัว่วไหมไม่เห็เขาตั้งใจพขาขยันมาก เขเสียภาษีให้รัฐแต่ใครทําให้เสรษฐิจเปนพันี่ยไม่ใช่เขาทําแต่มันเป็นกรรมร่วงเลใช่ไหมเพราเปลี่ยนแปล ง, ล ง, งปุกบท่านเราไม่ถึงผมพอพุ๊บเราเดี้ยงเลยบางคนน่าสงสารมากก่อนจะตายก็าฆ่าลูกเมียตายก่อนฉันก็ฆ่าตัวเองตายด้ว ย, เ, ยเราอยู่ได้ด้วยเศรษฐิจทั้งไม่เศรษฐิจเรอยู่ไม่ได้เราจะทุกข์แต่คนทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะอ่อนแอมากอันนั้นก็ไปหม้ แล้ก็มีไอ้เอฟสองไอ้เอฟสามไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยผิดแล้วผิดอีกเพราะเราสู้ความอยากไม่ได้ก็เล่นเกมเกมัาใครเดินในห้างเท่านั้นเองการศึกษาก็เหมือนกันการศึกษาโบราณเนี่ยการศึกษาเป็นตัวกําหนดสังคมเราอยากให้สังคมเป็นอย่างไรแล้วก็สอนลูกหลานให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้การศึกษาไม่มีสิทธิ์กากหนดถูกทุนนิยมกําหนดว่าเธอต้องสอนวิชาโนวนวิชานีน้ไม่งั้นเธอไม่มีงานทํา สังคมทุนนิยมเป็นตัวกําหนดการศึกษาให้ต้องสอนอะไรเพื่อจะเป็นเครื่องมือมาสร้างทุนให้เขามันตลบประดังนะั้นมันเป็นไปแรงตอนนี้ เ, เป็นรูปการศึกษาแครั้งที่สองอะไรก็ไม่เห็นรูปร่างเลยใครก็ในอ่างเหมือนเก่าเพราะหลักการเริ่มแรกเองปัชญาของการศึกษามันผิดตั้งแต่แรกเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อชีวิตเราเรียนรู้เพื่อไปเป็นนักนักการทํางาน เป็นแค่เครื่องมือของทุนนิยมเฉยๆมันผิดตั้งแต่แรกแหละเมื่อหลักการมันผิดปััชญามันผิดคุณจะเอาเทคนิคดีแค่ไหนก็ผิดมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องระดับชาติเรื่องอะไรแต่ว่าพ่อครูก็เล่าให้ฟังพ่อครูรู้หมดเห็นหมดก็สั่งแต่ว่ารู้สั่งแต่ว่าเห็นไงเราไปนั่งทุกแล้วก็แก่อะไรไม่ได้นั่นแหละโปรแกรมแรกก็หนึ่งให้เรามาพอดีๆปุ๊เปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนโปรแกรมเปล ให้จิตเราเรียนรู้เรื่องการยอมรับความเปลี่ยนแปลงดูเท่าททีนลรำอยู่ดีๆเนไหมนั่งหมุนอยู่ดีๆสบายๆแก้งตายฉับฟันเยเห็น <c oughs> ไหเออเช็คอยู่ ด, ดีลองอะไรยนกับคนทุกข์มากเห็นไมพอลองเสร็จปุ๊บมาไ ล, าล้รำมันพิกกับๆชีวิตเราก็เป็นแบบเดียวดีเดียวไเดียวดีเดียวไล่ ถ้าเราฝึกบ่อยๆปุ๊บพอชีวิตเรามปนเกิดอะไรขึ้นมาเรี่อเห็กฉันฝึกมาแล้วอันนี้มีเจตนาเพื่อให้เราติดและยอมรับความเปลีป่ยนแปลงรู้เท่าทันเราต้องอยู่ได้ทุกสถานการณ์อันนี้คือโปรแกรมแรกส่วนโปรแกรมที่สองเนี่ยยืนเดินนั่งนอนถ้าเกิดเรามีสถานที่กว้างังคบสียืนเดินนั่งนอน เ, นเพื่อดึงให้ตัวเองเนี่ยมาเซิร์ชอินไซ์ัวเ ไม่ยืนเฉยๆเดินเฉยๆนั่งเฉยแล้วจะเห็นอารมณ์เราชัดเลยว่าเออเราคิดเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่นะเรามีอารมณ์ซ่อนอยู่เราขี้เบือง่ายอะไรเนี่ยเราเห็นมันเราเห็นบ่อยๆบ่อยๆแล้วอารมณนี้ต่อไปมันขหลอกเราไม่ได้อารมณ์ยังมีอยู่แต่มันหลอกเราไม่ได้กิเลสมันยังมีอยู่แต่มันหลอกให้เราพัฒนาไปสู่ตัณหาไม่ได้ไเข้าใจไหมนี่เดี๋ยมันจะเกิดปัญญาไลย แล้วไปเข้าใจว่าให้ปัญญามันต้องไปท่องจำเยอะๆต้องไปรู้ข้อมูลเยอะๆอะไรมันไม่ใช่ปัญญาคือเกิดการรู้แจ้งของจิตรู้เท่าทาันอารมณ์เห็นไหมนี่แหละคือเป็นถ้าในทางโลกเรียกว่าเทคนิคในทางจิตวิญ ญ, ญาณเขาเรียกว่ากุบายเห็นไหเอาละอันนี้เขาเรียกว่าค้นหาตัวเองส่วนเซสชั่นจิตในจิต เราก็สร้างแรงเปลี่ยขึ้นส า, ชามชั่วโมงนพราะกูเ <jon yorsun? S 2> ห็นว่ากระบวนการมันทํางานอย่างไรไม่ต้องเอาเสียงก็ได้นะบางคนปรึกษาพ่อคูคนที่เขาหูหนวกอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ภาษาใบเป็นนะแล้วเขาเข้าใจนะเ อ, อไม่ต้องเอาเสียงให้เขาตีขาตัวเองอย่างนี้ก็ได้อันนี้ภาษาเนี่ยหรือหรือเราเอายาอมประงค์อันนี้ก็ได้นะนี่ดิ้มรถเนี่ยเออมาดิ้มรถที่เนี่ยมาดูที่ใจแต่ไอตัวนี้มันเล่งไม่ได้มันก็เกิดแรงดึงเหมือนกัน ลงปลาเนี่ยก็เกิดนะนี่คือกระบวนการทํางานของเสียงและร่างกายเห็นไหมแต่พ่อคูหลายปีมาเนี่ยพ่อคูใช้เสียงพราะเสียงมันเล่นได้แล้วก็เสียงนี่ผู้ปฏิ บ, บัติไม่ต้องกังวลไม่ต้องทําอะไรมาเลยเห็นไหมหลวงพ่อคงเราเนี่ยใช้กลิ่นพุทธโทนี่กลิ่นนะ่แต่ไม่ใช่พุทธโทสั้นก็รู้ยาวก็รู้อ น, นาปัญสตินะะ ถ้าเป็นแค่นั้นก็อยู่แค่นั้นเลยแต่บังเอิญเนี่ยทําทไปนานๆบังเอิญมันฟลุ๊กนะถ้าไอ้ยาวก็รุ่นไปชนที่หวัวใจเมื่อไหร่มันจะเกิดแรงหุนหมือ่กันหลวพ่อกรมคือซื้อให้มันชนใจเลยมันดึงระหว่งกลิ่คือจมูกเนี่ยมารู้นจี้ใจมันจะเกิดแรงดึงสองส่วนแต่ทีนี้เราจะทําได้กี่นาทีมันจะไหนก่อนฟังนะพ่อครูทําหมดแล้วสุดท้ายพ่อครูเลือกเสียงนะซึ่ง ผู้ปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมันเบาๆเบๆเพื่อระมุนแล้วมันเล่นได้เล่นได้เล่นได้มันเร็วเล่นสติหมุนกรงล้อของธรรมจักรมันเจะเหวี่ยงเข้าไปในจิตแล้วก็เกิดลมปานเมื่อเลืลมมันวิ่งแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็เกิดคนเราเนี่ยถ้าเลือดดีลมดีเนี่ยภูมิคุ้มกันก็เกิดแค่นั้นเองมีสองอย่างคือเลือดลมเมื่อจิตมันหมุนแล้วเนี่ยมันเกิดลมปานนะเมื่อมันออกจากใจแล้วหัวใจมันถูกกดทับไปด้วย มันแบกไปเพราะมันอิสระปมันปั๊มเลือดรงหล่อเลี้ยงร่างกาย ค, คนเป็น โ, โรคหัวใจเนี่ยอย่างแรงเลยนะอาจารย์ชิวีที่เป็นครูบรนนอกเนี่ยพอสอนปุ๊ตกใจปุ๊เพราะที่อาจารย์ชิวีนี่สรบทุกครั้งไปโรงพยาบาลพเพราะมาเบียนคุณหมอมาเห็น โ, โรคหัวใจทําได้เหรอม โ, โรคหัวใจคุณไปเล่นกีฬาเนี่ยคุณไม่รู้พองพอดีเนี่ยหัวใจวายตายนะแต่พอมาเบียร์น้นมันแรงกว่าไปเล่นกีฬาอย่างนะแต่ว่าจิตมันรู้ว่าทำได้แค่ไหนตอนนี้แกหายขาดแล้ว มันดึงจิตมันหมุนไงหัวใจมันมันว่างกล้ามเนื้อหัวใจมันก็ปั๊มเลือดตรงหน่อเลี้ยงร่างกายแรงขึ้นมันก็ออกกําลังใจด้วยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นนะไอ้ที่เส้นเลือดมันตีมันอะไรเนี่ยมันจะทรลวงหมดนะเห็นไหมเลือดมันไหลเบียนดีลมก็ลมปานเนี่ยผู้เฒ่าผู้แกเราเจ็บเนี่ยบางทีไม่ไม่ได้อักเสบอะไรปวดง้อปวดนี่ไม่ใช่เรื่องกระดูกนะลมปานมันค้างอยู่ เมื่อเรามาเดินลงปานแล้วเนี่ยมันเอออาเอออาออกมาพุ๊เดี๋ยวก็ลุมหอันนี้คือผลผลปยได้เราปฏิบัติไม่ใช่รักษาโรคเหล่านี้โรคเหล่านี้เป็นแค่ผลประโยชน์เรื่องเล็กจิ๊กจ๊อยมาเลงเหือฮนะเขาเราไปเผาพุ๊บมันก็เขาตายตามเรานะแต่โรคเวรโรคกรรมโรคทุกเนี่ยมันข้ามภพ ข, ข, ข้ามชาติอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องชาติเดียวด้วยนะนะโรคทุก บางทีร่างกายแข็งแรงไม่มีอะไรเศรษฐกิจแข็งแรงกระอกหักกูฆ่าตัวตายมีเยอยแยนะนะเรามาสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อปล่อยให้จิตเราหลุดพ้นออกจากความเป็นฆาาของใจจิตใจเราไปเข้าใจวันสิ่งเดียวกันไม่จิตก็จิตใจก็ใจใจคืออะไรใจคือไอ้ก้อนเนื้อก้อนหนึ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งที่ปั๊มเ ล, มลือดลมหลอเลี้ยงร่างกายเป็นก้นรังเก็บอารมณ์ แต่มันเต้นได้ด้วยพลังจิตคือมโนวิญญาณน่ทำให้มันเต้นมันก็จิตเราไปก่อยอยู่ที่มันนะเราถูกหัวใจเราครอบงำตลอดยกตัวอย่างว่าไอ้ร่างกายนี้มันเป็นโรงแรมหัวใจนี่เป็นผู้จัดการมันเก่งมากมันครูหมดเลยเราคือจิตเป็นเจ้าของโรงแรมกลายเป็นว่าเราต้องฟังคำสั่งของหัวใจอย่างเขาด่าเรามา ไอ้ใจบอกฉันเจ็บใจเจ็บใจจริงๆอจิตมึงสั่งปากด่าออกไปคืนเลยไม่งั้นฉันเจ็บใจฉันจะนอนไม่หลับไอ้จิตมันมักง่ายมันกลัวคนที่มันเคารพนัาถิวเพราะว่าถ้ามันทิ้งโรงแรมใช้ก็เจังเลยมันเจ็บมากกลัวมันเจ็บใจด่าออกไปคืนเลยโอ้เห็ไหมฉันดีใจฉันนอนหลับสบายเลยพอเอาเอาอาหารให้มันกินปุ๊บมันออกลูก ที่ที่เขาด่ามันคืนมันบอกว่าแค่ด่าเฉยๆไม่พอลูกมันไม่ฟอกจริงมันบอกไอ้จิตมึงสั่งมือมันตกไปเลยตกมันไปเลยไม่งั้นลูกมันไม่ฟอจริงเราเป็นคนมักให้เรากลัวมันเจ็บใจเราก็ตกเลยมันบอกสาใจลูกมันประดีใจลูกมันก็มีอาหารออกหลานอีกออกหานอีกนะตอนนี้เขาตกมาคืนบอกว่าที่ตกไม่พอครับไอ้จิตมึงสั่งเอามือเอาปืนยิงมันเลย กรุงเทพนรถติดแซงไปแซงมาเวบลงมายิ่งเลยเราทําตามใจตัวเองตลอดจิตเป็นทาตของใจตอนนี้คําว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมบางคนถามก็ครูว่าให้มันหลุดพ้นแล้วฉันไปไห น, ฉ, นฉันจะกลับมันเป็นหรือเปล่ามันไม่ได้หนีไปไหนมันหลุดพ้นออกจากความเป็นทาตของใจเท่านั้นเองนะขอให้เราเบี่ยงแร ง, แรงได้นะ เราจะรู้ว่าจิตมันคืออะไรใจคืออะไรสมองคืออะไรนะเราจะเห็นเองเอ๊ะอะไรมันเปียนะถามามันเปลียนเพราะกูถามามันเป็นใครเหรอถามมันไหมนะไนั่นแหละทําไปเรื่อยเยเดี๋ยวมันจะเด่นชัดเองเราแค่เรี่ยงเบี่ย ง, งแรงๆนะเราเบี่ย ง, งแรงๆเนี่ยนะเพราะกูเอาระฆังไปตีกังตกจิตไม่ตกใจใจไม่สะดุ้งเลยเราจะแยกได้ แล้วต่อไปเขาด่าเราปุ๊บเนี่ยได้ยินทีจ่จิตไม่ตกใจเวทนาไม่เกิด น, นะเราเหวี่ยงไปเรื่อยๆมันก็มีกําลังออกจากใจได้บ่อยๆแต่พอหยุดปุ๊บมันก็ลงไปคืนนะนอกจากเรามีพลังจนว่ามันระเบิดจนว่ามันหลุดอิสระจากใจจริงๆแล้วหัวใจมันเต้นได้ด้วยด้วยมนโนอิจ ญ, ญาได้วยเชิดแตวยจิตไม่อยู่กับมันอีกต่อไปอะไรเกิดขึ้นตกจิตไม่ตกใจเราตัดเลยลูกเกิดก็ดับ ทุกคนทําได้มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์วิชานิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งซึ่งค้นพบในความจริงในบางอย่างของธรรมชาติเท่านั้นเองไม่ได้เก่งมากกว่าเนาะวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์วิชาไปค้นพบความจริงในบางอย่างแต่ส่วนมากไปเอาเรื่องพลังงานเอามาใช้เอามาทำลายโลกแต่วิทยาศาสตร์จะไม่เข้าถึงเรื่องนามธรรมเาพราะเราปฏิเสธนามธทํมเพราะมันตีราคาตึงหนึ่งไม่ได้ ขายไม่ได้ธุนการศึกเายกไม่ชอบนี่คือสิ่งถ้าเราพ่กูแล้วก็กูผ่านชีวิตมาหมดนะที่บอกตักเหลงเดยกผีแล้วยอย่างเดียวจำนั้นยังไม่ฆ่าคนตอนนั้นเ้งแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นไม่มีอะไรยิ่งใหญ่พอมาเจอสิ่งนี้แล้วไม่ไม่ต้องไปคิดสวยหาอะไรอยู่แล้วจบละอันนี้จบอีกนะอันนี้โปรแกรมที่สองที่สาเนี่ยเราต้องการสร้างแรงเรียงเนี่ยผลพลอยได้คือมันเกิดลงพาน เลือดดมไหลเวียนดีขึ้นภูมิคุ้มกันเกิดโรคบางโรคแค่หมุนได้เฉยๆนี่ก็หายแต่โรคบางโรคต้องเข้าไปในเว็บไทยเราไปไปจ่ายหนี่กรรมทางจิตบางโรคเราต้องแกด้วยชีวิตเพราะโรคนั้นมันเกิดขึ้นจากเราฆ่าก็ามาโดยเฉพาะฆ่าคนด้วยกันเองนะ่าสัตว์ใหญ่ก็หนักนั้นสัตว์เล็กก็อ่อนลงไปแต่ว่าถ้าฆ่าคนหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตก็คือหนึ่งา่า เราต้องตายนี่กลับมาครับเหมือนเราติดมดความตายเลยล่ะเออมันได้เหรอทําไมจะไม่ได้เป็นวมดก็ไม่จับไม่ต้องขอวิซา่ากันง่าบางคนนั่งเนี่ยไปเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นไก่ถูกเขาหักขาโอ้ยโอยโอ้ยโอ ย, โอ ย, โอ ย, โอยทำไมเรารู้ว่าเราเป็นไก่หมเราเคยเป็นไก่มาหลายชาติแต่เราก็เคยหักขาไก่ความรู้สึกที่เราเจ็บปวดจากนั้นไม่ต่างอะไรกับ ความเป็นจริงที่เราถูกรดชนคาเแล้วต้องใจที่คำคนในความรู้สึกทุกข์เราเสียตรนั้นจริงๆเมื่อเราตายจริงๆะนะ่แต่มันไม่จริงพอตายปุกบเราจ่ายโปรแกนมนั้นละแม้กระทั่งโรคที่เกิดขึ้นมาพร้อมการเกิดเลยนะมันก็รักษาได้ถ้าเราเอาจริงนะพวกปูตายแทนพวกเราไม่ได้ตายในกรรมฐาน แล้วก็นี่กิดตายก่อนตายเมื่อตายแล้วเราไม่ตายจริงๆต่อไปมันเกิดเกิดศรัทธาจิตดวงนี้มันไม่กลัวตายแล้ย้นสื่อลิงผู้สื่อไลคุณจีบอกว่าคนนี้ต้องตายแต่จิตไม่มีวันตายจิตไม่มีวันตายพระพุทธิย่าวยังอยู่แต่พระองค์ไม่มีหนี้สินพระองค์ระเบิดโปรแกรมกรรมตอนนั้นว่าไม่ต้องมาเห็นว่าตายเกิดในสามโลกฐานเลแล้วแต่จิตรู้นั้นยอย่างอยู่เข้าไป อีกนิดเดียวไอแนวที่เราทําให้มันไม่ใช่ปฏิบัติไม่ต้องไปถามว่าปฏิบัติมากี่ปีได้ชาญเท่าไหร่นะไม่ใช่ปฏิบัติมากี่ชั่วโมงเฮ้ย <Hey, S 1> เร็วไหลมันเร็วขนาดนี้เอาถูกแนละ้วมันไม่ได้เรวขนาดนั้นต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติต้องนับของเก่าด้วยนะตอนนี้เราไม่คุ้นเคยเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยไม่ได้มาใหม่ต้อง A อบีกอไก่ขอไข่ขอ 1, พอหนึ่งพอสองพอสามเราคิดแบบนั้นไม่ได้ถ้า ความคิดแบบนั้นถูกต้องนะบางคนครูบาอาจารย์เคยต่อว่าเพราะครูเขา เ, เตือนเขาก็กูว่าเราสอนผิดพรากคูบัญชาเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นบันไดก็ตกลงมาบูกถูกแล้วพระอาจารย์ะคนเราต้องทีละขั้นเอย่าถามว่าปฏิบัติมาได้ชาญเท่าไหร่ปัจจุบันกี่ปีต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาแต่ลทีละขั้นถ้าไปฝึกวิชาเหมือนกันทีละขั้นเ อ, อปีนี้จบอะไร ทีนี้จบชั้นไหนชั้นไหนแต่ตายก่อนถ้าความคิดแบบไม่ถูกต้องนางวิสาขาบรรลุโสดาบันเจ็ดขว่ไม่ได้เนนบัณฑิตเจ็ดขั่วปวดแค่แปดวันเป็นอลาลัยไม่ได้พายะไม่รู้เรื่องศาสนาเลยเรือล่มเป็นพ่อค้าจะเป็นบ้าบังเอิญบุญเก่าให้มาเจอพระพุทธเจ้ากำลังบีทบาทนิมนต์ท่านในประเทศบอกท่านบอไปวัดไปวัดไม่ยอมเหมือนเหมือนสัญชาติญาณเขารู้ว่าเขาจนั่งเศ้าซีนั่น นี่บนสามครั้งเขาคงเลยปวดปวดอะไรรู้ไหมสักแต่ว่รู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าดงกลินสักแต่ว่ายิ้มรดสักแต่ว่ากระทบภาษาไม่พินาไม่ตัดสินอันนี้คืออายตนาทิปศาสนากรรมาฐานพริยาเนื่องจากว่ามีบุญเก่าต้องมีบุญเก่าถึงจะได้เจอพระเจ้าไงฟังแค่นี้เขาโอ้ใช่แล้วชีวิตเรามันทุกข์เพราะว่าเรามาคิดทุกเรื่องเราไม่สักแต่ว่า แค่นี้กับมนุษย์อัลลาห์แล้วไงทําไมไม่มาฝึกทีลาท่านถ้าจะอาจ่านพระใจเบลอกอานให้มันครบหมูนะให้มันครบรอบนะไม่ใช่อ่านแบบตักกะวิชาการปัญญาตีปัญญ า, าโทเองอันนั้นตายก่อนตั้งสติญญาไม่ใช่อย่างนั้นเด็ดขาดบังเินพกปูนเจอกักบพกปูเองไม่รู้เรื่องศาสนาเลยศีลให้ ย, ยังไงก็ไม่รู้ด้วยมันมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ม, มานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ใช่ลงชีิตตัวเองนะมันก็เกิดขึ้นจากเราไง เกิดขึ้นเองกับเราเลยล่ะเป็นไมเกรนเป็นโกกรคกระเพาะมันก็หายไปไหนหมดอหายไปหมดเลยยีสิบ็ดปีไม่ต้องปวดหัวก็มันก็เห็นกับเราไงแล้วบอกว่าเชื่องูก็ไม่มีขาแล้วบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขามันเป็นเช่นนั้นเองคุณบอกเชื่อไม่เชื่อไม่เถเชื่อไม่เชื่ อ, อความจริงมันเป็นเช่นนั้นเองถ้นะามีสารไม่ชอบถามอะไรยังตอบไม่ได้หมกเช่นนั้นเอง เขต้องตอบได้สิตอบก็ครูหน่อยสิทําไมมึงไม่มีขาตอบหน่อยทําไมคนต้องมีสองขาทําไมเวล์ต้องมีสี่ขาภาที่มาจากไหนตอบตอบตอบตอให้ตอบตอบหน่อยพราะูอยากดูเหมือนกันตอบสิผู้ชาบอกเช่นนั้นเองทําไมทําดีดีทําไมทําชั่วชั่วครับคุณทาสีขาวคุณจะจินตนาการมันแห้งนีเป็นสีแดงสวยงามได้ไหมคุณทาสีดําไม่ต้องเป็นสีดำถึงจะเป็นสียง มันเช่นนั้นเองบางทีไม่ใช่กำปั้นทุกดินนะมันไม่ใช่มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยตามธรรมชาติก็ยกเราก็หนักเลยก็าวางเราก็เบาเอาทาไงที่มันยกมันหนักทําไมถึงเบาก็ลองยกดูสิก็ลองวางดูสิก็มันเช่นนั้นเองเขาพูดถึงเตือนว่าชีวิตเราแสนสั้นอะไรความรู้อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกเนี่ย อย่าไปเสียเวลาแม้กระทั่งหนึ่งวินาทีอันนี้เราไปรู้อะไรก็ไม่รู้ไปเถียงกันเรื่องไม่มีสาระเถียงกันก็ทะเลาะกันดีกําไรทุกทั้งสองคู่เห็นไหมเธอก็ทุกเฉยก็ทุ ก, ก, ทกไมีไประโยชน์อะไรไปแข่งกัน ว, วิธีนั้นดีกว่าวิธีนั้นวิธีนี้ก็ไม่เคยทําให้มันจริงๆวิธีไหนก็ทําเถอะทาให้มันจริงจริงอย่างจังเนาะบางเอิ่นวิธีพ่ะครูมันไม่มีวิธีบางคนวิธีพ่ะครูเราบอก เ, อเรามา หลายชั่วโมงแล้วบอกพก่อครูหน่อยใครรู้ยกมือขึ้นว่าวิธีพ่อครูเป็นแบบไหนถ้เาเราพูดได้เราพูดสิมีใครพูดได้บ้างพ่อครูจะไปเรียนรู้ด้วยพว่อครูยังไม่รู้แล้วมันเป็นยังไงวิธีนี้คือไม่มีวิธีแนวทางที่ศูนพลานข่อยคือไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเรามันเป็นทางด้าจิตจะไม่เหมือนกับเจ้าคนนึงไปสัทไหนเขาเป็นผุ่นยนตซ้ายหันขวาหันนะ อัน น, นทุกคนเป็นหมดหมดอันนี้มันไม่ใช่ไงแต่ทีนี้มแม้จากว่าเรามีสองคนขึ้นไปแล้วก็มีกอตกลงว่าเออเราบอบกันกีโมงเวลาไหไรกินข้าวเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ต้องมีนัดหมายนะแต่ว่าทุกคนก็ทําไปตามสมบูรณ์ตัวเองตามประสบการณ์ของตัวเองเห็นไหม เ, ออเสียงเหมือนกันยังเยงวาวชนเนี่ยเขาไปเที่ยวถิ่นเที่ยวบาร์เสียงดังมากเขาก็เต้นเห็นไหม มันต่างอะไรกับเยาวชนอย่างกิเลสทั้งนั้นเลยเห็นไหมต่างกันฟ้ากับดินเลยนะเขาเต้นด้วยอารมณ์สุกสนานนะขาดสติเขชนปุบมันตีกันฆ่ากันเลยอันนี้เราเต้นอย่างมีสติอย่างมีสมาธิให้รู้เท่าทันอารมณ์อันนั้นเต้นอารมณ์เพิ่มเข้าไปนะเอาความสุขกบเกินความทุกความเบื่อเฉยๆเราเต้นแล้วเราเอาอารมณ์ออกเราเห็นมันเต้นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแคนะ่นี้นี่ก็คือการเปลียน เรียกว่าจิตในจิตหรือภาษาจิตผมว่า inside out เราต้องเข้าเว็บไซต์เห็นไหมเราเข้าไปในเว็บไซต์คอมพิวเตอร์มันโชว์ออกมาเพราะว่าเราต้องการรู้เรื่องเพลงเราก็ไปนั่งอยู่ในแล้ปุ๊บเราก็ไปกดโปรแก ร, รมเว็บไซต์เพลงปุ๊บมันจะโชว์ออกมาโมดิเตอร์เป็นเพลงใช่ไหมล่าถกายเราเหมือนโมนิเตอร์ข้างในมันสับานนอกแลแรกๆเราต้องช่วยมันก่อนเมื่อจิตอิสระแล้วถ้าที่เราเต้นเนี่ย ไม่ใช่สมองขังการละประสบการณ์ของจิตเดิมเขาจะมาสอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจังหวะเดี๋ยวใช้แก้เขาใชอะไรคืออินใส้เขาคุณหมอยาก็ไม่ที่นี่นะมามาันช่วยเป็นจิตอาสาเราเป็นหมอฟันหมอยาไม่เคยฝึกโยคะเลยแต่พอเขาไปในจิตพุดเขเล่นโยคะอาจารย์สอนโยคะยังทำไม่ได้ว่าไะเยียนมาจากที่ไหนอันนี้คือปัญญาคือทาได้เลย ไ, ไม่ได้เป็นวารู้มาก จิตเรามหาสารเราเรียนรู้ไม่รู้วิชาอะไรเยอะแยะเลยนะเราไปรื้อฟื้นเอาของเก่ามาใช้เลยนะมันไม่ต่างอะไรที่เราก็ไปเนี่ยไปอะไรๆเนี่ยเขเรียนรู้อันนั้นเป็นแค่องค์ความรู้นะแต่ไอ้ปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราเองเรียกว่าอินไซน์เอาเราต้องสัำรวจด้วยตัวเราเองเราถึงเข้าใจมันว่าอะไรคือปัญญาเราไม่เคยฝึกวิชาโยคะทํำไมเราทําได้นะอันนี้หนึ่งนี่แหละไอ้ตัวเหวี่ยงเนี่ยบางคนเรียง่ายๆว่าสมาธิเหวี่ยพราก็ไม่เคยตั้งชื่อ คำว่าเวี่ยงทิ้งนี่ไม่ใช่ชื่อเรียกถ้าตั้งชื่อว่าเป็นลทัทธินิยายคำว่าเบี่ยนทิ้งคือสลดอัดบอกเป็นกิริยาที่เราเตือนว่าอย่าไปติดมันน่ <c oughs> เห็นอะไรก็อย่าไปติดมันผ่านๆๆ น, น, นะเบี่ยงทิ้งไปเรื่อยเมื่อระวางยังไม่ได้แล้วก็เบี่ยนไปไเรื่อยๆนะเบี่ยงไปไเรื่อยเดี๋ยวมันก็ลดน้อยลงเดี๋ยวมันก็วางทิ้เงเองเราก็จะอิสระไม่มีชื่อเรียกนะเป็นกิริยาในการเบี่ยงทิ้งทีนี้อันสุดท้ายเรียกว่านานาจิตต เขคุอยู่ได้ยี่สิบเจ็ดปีบางคนเปลี่ยนเข้าไปในแนนเร็วมากมันก า, าไปติดไงบอกเบี่ยงทิ้งเบี่ยนทิ้งเขาไปรวมกลุ่มเป็นกลอยไปเชื่อพ่อกูนะหามาเตือบตายเจอแล้วบอกให้เบี่ยนทิ้งโู <S <S เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะมีฤทธิ์เลยนะอ่ะพ่อกูเห็นพ่อกูระวังพวกนี้พูดไม่ฟังพ่อกูดูแล้วว่าอาะมันไม่ทิ้งแน่แน่เพราะว่ามันเจอสิ่งพิเศษพ่อกูเลยสร้างนาน า, น า, นานจิตต์น วิธีเวี่ยนใช้แสดงแรงหมุนไม่เราเจาะน้ํามันเนี่ยสว่าแรกๆนี่เราเจาะเนี่ยเรามีตัวกระแทกแตนะแต่ว่าเจาะลึกๆนี่ไม่ได้เราต้องแรงหมุนเจาะน้ํามันลงไปลึกๆเหมือนสว่านนี่เจาะกระแทนนี่มันใช้แรงหมุนนะบางทีมันเจาะพวกมไปเจอหินเจอเหล็กมันติงทีนี้เราเพิ่มโรตารี่ให้มันสว่านโรตารี่ก็เห็นไหมแตะแตะแตะมันกระแทกด้วยแล้วก็หมุนด้วยมันกระแทกปุ๊บก็ดึงออกมามันกระแทกใหม่ ตอนนี้ไอติดโปรแกรมนั้นถูกพวกกู ล, ลากออกมาหมดแล้วแต่เราไม่ลืมโปรแกรมนั้นเราจะเข้าไปเอาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เและหลายโปรแกรมมันลิ้นกันหมดและไอนาณาจิตตามนี้เราเรียกว่ามหาสติปัญฐานไม่ได้ผิดมันใช้ฐานทั้งสี่เลยคือเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าไปในจิตและอารมณ์นั้นมันส่งมากายภาพท่าที่เราเต้นบาง ม, มันแล้วก็เต้นทั้งนอกเราก็ไม่ติดกัไม่ติดอันนี้คือสายกลาง พรพุเจ้าบอกว่ามันไณฑิตไม่เสีส่วนสุดโต่สองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกคือกายข้างในคือจิตอันนี้คือสติปัญสีกายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครเดียวกั น, ใ น, ใ น, กนสร้างกําลังให้จิตเราจเจริญ ม, มหาสติปนันส่วนวิธีเบี่ยงเข้าไปนั้นอันนี้นเป็นบุคเพนิวาสานอันนี้นเป็นฐานจิตฐานธรรมนะคือเข้าไปลึกๆ เ, เลยไปเรียนรู้กับมันนะ แต่ว่าเราเสริมกาลังตัวนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ติดมันออกมามันเข้าไปใหม่ได้นะสี่โปรแกรมนี้เรียงลงดับมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวที่รวมันเองโอเคไหมเมื่อกี้ก็เตือนแล้วตกลไปทำอะไรเอาต่อไปจิตในจิตเข้าห้องน้ำก่อนครับสักประเดี๋ยวเนาะ